จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศล ท, ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญเพื่ออุทิศถวาย เป็นพระราชากรส่ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริญาติมหาราชที่เป็นผู้มีพระคุณอันประเสริฐแก่ตัวชนชาวไทยท่านได้จากพวกเราไปแล้วแต่สิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้พวกเราเป็นมรดกอันล้าค่าเป็น การอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองด้วยความเสียสละด้วยความเมตตาต่อพลเชาอรชาวไทยพวกเราที่มีชีวิตอยู่พวกเราสามารถทดแทนบุญคุณของท่านได้ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ถวายเป็นพระราชกุศล และปฏิบัติบูบชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่ทรงสอนให้พวกเราคิดดีพูดดีทำดีให้พวกเรารู้รักสามัคคีกันไม่ให้แตกแยกกันให้ปลองดองให้รักกันเหมือนพี่เหมือนนอ้องเพราะสามคนถ้าแตกสามัคคี ก็จะอยู่ไม่ได้ภัยที่อันตรายของสังคมนี้ไม่ได้อยู่พ้ข้างนอกแต่อยู่ข้างในอยู่ความแตกแยกความสามัคคีนี้ถ้าที่ไหนไม่มีความสามคัคคีที่นั่นก็จะมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความเสียหายที่ไหนมีความรักมีความสามคัคคีที่นั่นก็จะเป็น ที่มีความปรกแผ่นนั่นหนามั่นคง ม, มีความร่มเย็นเป็นสุข ด, ดังนั้นขอให้เราจงกระทำตัวของเราให้เป็นคนดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีการที่เราจะคิดดีพูดดีทำดีได้เราต้องมีคุณสมบัติคุณธรรมสี่ประการด้วยกันคือหนึ่ง ความเมตตาสองความการณ נ สามความมุนิตาและสี่ความโอเบคขาถ้าเรามีคุณทำทั้งสี่ประการนี้เราจะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยความรักด้วยความสามาคัคคีอยู่อย่างมีความแน่นหนามั่นคงทุกคนจะมีความสุข อย่างนั้นขอให้เรามาศึกษาวิธีเจริญคุณธรรมทั้งสีประการนี้คือเมตตากรุณามุนีตาโอเบคาให้มีอยู่ภายในใจของพวกเราเพราะถ้าเราขาดเมตตากรุณามุนิตาโอเบขาเราจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่ถ้าเรามีเมตตากรุณามุนิตาโอเบขา เราจะคิดดีพูดดีทาดีแล้วเราจะมีความสุขและเราจะให้ความสุขแก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันกับเรานี่คือวิธีการอยู่อย่างสันติสุขต้องมีคุณธรรมสี่ประการความเมตตานี้ก็มีอยู่หลายลักษณะด้วยกันดังที่เราสวดกันอยู่บ่อย สัเพสัตตาอเวราหณตุอันนี้ท่านบอกว่าการไม่จองเวนจองกรรมกันสัเพสัตตาอัปปาปัจชาโหณตุแปลว่าไม่เบียดเบียนกันสัเพสัตตาอนิคาโหณตุไม่ให้ผู้อื่นไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น สับเบสัตตาสุขีอัตนานปริหารันตุมีความปรารถนาให้ทุกคนมีแต่ความสุขนี่คือความเมตตาวิธีที่เราจะแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์อยู่ตามลำพังตอนนั้นเป็นการเตือนใจสอนใจให้เรา มีอเวราให้เรามีอปยาปั ช, ชาให้เรามีอนิคาให้เรามีสุขีอตานังปริหารันตุคือให้เรา ม, มีความให้อภัยต่อกันและกันไม่จองเวนจองกรรมกันเพราะการจองเวนจองกรรมจะนำมาแต่เวนแต่กรรมดังที่ทรงตัดไว้ว่า เวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรการไม่จองเวรก็คือการให้อภัยยกโทษไม่ถือโทษโกฎเกณฑ์ต่อผู้ที่พูดหรือกระทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายกับเราทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเราจะ ให้อภัยเราจะต้องการรักษาความดีงามในใจของเราไว้เพราะถ้าเราเกิดความอาฆาตพยาบาทคิดจองเวรจองกรรมเราก็จะเร็วเท่ากับเขาหรือเร็วยิ่งกว่าเขาเช่นถ้าเขาตีเราแล้วเราก็ไปฆ่าเขาอย่างนี้เพราะเราโกรธเขา เขาเพียงแต่ตีเราแต่เราไปฆ่าเขาอันนี้เราเล็วกว่าเขาการที่เราจะทําตัวของเราให้ดีกว่าเขาเราต้องไม่โต้อตอบเราต้องให้อภัยเขาแล้วเราจะดีกว่าเขาเพราะเราไม่ไปทําร้ายเขาเรามีความเมตตามีความมีคุณธรรมที่สูงส่งนี่คือลักษณะของการ ไม่จองเวรกันเป็นความเมตตาอย่างหนึ่งความเมตตาอีกอย่างหนึ่งก็คือการไม่เบียดเบียนกันก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายามเมาเพราะการกระทำบาปทั้งห้าข้อนี้จะเบียดเบียนผู้อื่นจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือให้เราให้ความสุขแก่ผู้อื่น<ม>การให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี้ก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันเช่นเวลาเราพบปะกันเพียงแต่ยิ้มให้กันนี้ก็ทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขแล้ว<ม>เห็นรอยยิ้มของเขาของเราเขาก็มีความสุขเราเห็นรอยยิ้มของผู้อื่นเราก็จะมีความสุข ถ้าเขาหน้าเบื้อตึงเราก็จะไม่มีความสุขถ้าเราหน้าเบื้อตึงเขาก็จะไม่มีความสุขอย่างนั้นการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันไม่ใช่แผ่เมตตาตอนที่เราอยู่คนเดียวตอนนั้นยังไม่ได้แผ่ตอนนั้นเป็นเพียงสอนใจเตือนใจว่าเราต้องมีความเมตตาต่อกันพอเจอกันก็ ให้ยิ้มให้กันอย่าหน้าเบื้อตึงถ้าเขาพูดไม่ดีก็อย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาถือว่าเขายังเป็นเหมือนเด็กอยู่เวลาเด็กเขาทำอะไรผิดนี่เรามักจะไม่โกรธเด็กเพราะเรารู้ว่าเป็นเด็กร่ายเดียงสายังไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วทำไปตามอารมณ์ผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน ถ้าไปพูดไม่ดีทําไม่ดีก็เป็นเหมือนเด็กรายเดียงสาเพียงแต่ว่าร่างกายนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจนี้ก็ยังเป็นเหมือนเด็กอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่โกรธเด็กเราก็อย่าไปโกรธคนที่ไร้เดียงสาคนที่ไม่รู้ผิดถูกดีชั่วคนที่พูดหรือทำอะไรให้เกิดความเสียหายเราควรจะให้อภัยเขา แล้วเราก็จะสบายเราก็จะมีความสุขเขาก็ไม่ทุกข์กับจากการที่เราไปาทําร้ายเขาตอบโต้เขานี่คือความเมตตาความเมตตางานก็คือให้ความสุขแก่ผู้อื่นวิธีให้ความสุขนอกจากให้รอยยิ้มแล้วก็ให้มีการแบ่งปันสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ มากกว่าที่เราจะใช้ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ใช้ก็เอามาแบ่งปันกันอย่างที่ญาติโยมมากันในวันนี้ญาติโยมก็นำเอาความสุขมาแบ่งปันให้กับพระภิกษุที่อยู่จําบรรษาอยู่ในวันนี้นำกับข้าวกับปลาอาหารของขา้าวของกวานเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่าง มาแบ่งปันกันมาให้พระที่ไม่มีอาชีพหาเงินหาทองหาข้าวหาของก็ต้องรอความเมตตาของญาติโยมญาติโยมก็มีโอกาสได้แผ่เมตตาได้สร้างบา ร, รมีได้สร้างเมตตาบา ร, รมีผู้ที่มีเมตตาบา ร, รมีนี้จะมีอนิสงส์หลายประการด้วยกัน mm hmm. เช่นหนึ่ง จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาข้งหลายจะไม่มีใครเกลียดคนที่มีความเมตตาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าหรือรัชกาลที่เก้าทั้งๆ ท, ที่ท่านจากเราไปรัชกาลที่ห้าก็จากไปเป็นเวลายาวนานรัชกาลที่เก้าก็เพิ่งจากไปแต่ความพระเมตตาของท่านทำให้เราเยา ยังรักยังเคารพท่านอยู่ยังคิดถึงท่านอยู่ยังอะไราอาวรท่านอยู่นี่คืออนิสง์ของการมีความเมตตาถ้าเรามีความเมตตาเวลาเราจากพวกเราไปพวกเราจะจะอะไราอาวรจะคิดถึงจะไม่สาบแช่งส่งให้ไปคนที่ไม่มีความเมตตาคนที่มีความโหดร้ายทารุณ เวลาตายไปนี้มีแต่คนเขาส่งสาบส่งต่อไปไปได้ก็ดีอยู่ไปก็หนักโลกนะคนที่ไม่มีความเมตตาส่วนคนที่มีความเมตตานี้ไม่มีใครอยากจะให้จากไปคนที่เมตตาคนที่มีความเมตตาจึงไม่ตายด้วยการทำร้ายของผู้อื่นเพราะจะไม่มีใครคิดทำร้าย ไม่มีใครคิดจะฆ่าด้วยอาวุธต่างๆไม่มีใครคิดจะฆ่าด้วยยาพิษเพราะว่าไม่มีศัตรูนั่นเองผู้ที่มีความเมตตามีแต่มิตร <นะ S 1> เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย <นะ S 1> เวลาตายไปก็ไปสู่สุคติ <นะ S 1> ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปถึงพระนิพพานถ้าบุญบรารมี มีถึงแล้วก็เวลาอยู่ตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขนอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายนี่คืออานิสงส์ของการมีความเมตตาขอให้พวกเราพยายามสร้างความเมตตาให้มีอยู่ในใจแล้วเวลาเราพูดเวลาเราคิดเราทำอะไร เราจะคิดดีพูดดีทำดีแล้วจะทำให้ผู้อื่นนั้นเขามีความสุขและเขาก็จะให้ความสุขกลับมาเวลาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาในใจของเราอย่างวันนี้ญาติโยมเอาความสุขมาให้กับพระภิกษุพอให้แล้วญาติโยมก็เกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมา นี่คือวิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเราและสร้างความสุขให้แก่ผู้จะทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะอยู่ร่วมกันอย่างความด้วยความรักด้วยความสามัคคีกันข้อที่สองคุณธรรมที่เราควรจะมีก็คือกรุณาการุณาก็คือความสงสาร เวลาที่เราเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าเราพอที่จะช่วยเขาได้ก็ควรที่จะช่วยไปอย่าดูดายแต่การช่วยก็อาจจะต้องมีปัญญาบ้างคือช่วยแล้วให้เขาช่วยตัวเองได้อย่าไปช่วยให้เขาต้องมาให้เราช่วยอยู่ตลอดถ้าช่วยแบบนี้ไม่ดี เช่นเวลาเขาไม่มีเงินมาขอเงินเราก็ให้เงินเขาไปพอเขาใช้เงินหมด <c oughs> เขาก็กลับมาขอใหม่ถ้าช่วยแบบนี้ก็จะต้องช่วยไปจนวันตายมีคำโบราณที่ก็บอกว่าอย่าให้ปลาเขาสอนให้เขาหาปลาดีกว่าเพราะถ้าเขาหาปลาเป็นแล้วเขาก็ไม่ต้องมาขอปลาจากเราเขาก็จะไปหาปลาของเขาเองได้ ฉันใดคนที่มาของเงินก็อย่าให้เงินเขาแต่สอนวิธีให้เขารู้จักหาเงินพอเขาหาเงินได้เองแล้วเขาก็จะไม่ต้องมาขอเราเช่นถ้าเขาไม่มีเงินก็หางานให้เขาทำไปฝากถ้าฝากใครได้ก็เอาไปฝากให้เขามีงานทำแล้วพอเขามีงานทำเขาก็จะได้พึ่งตนเองได้ อย่าไปช่วยแบบอุ้มเขาแบกเขาเพราะว่าจะต้องอุ้มไปจนวันตายเพราะเขาจะไม่มีความสามารถที่จะช่วยตัวตัวเองได้ถ้าเราช่วยเขาแบบนี้เหมือนกับลูกๆของเราถ้าเราเลี้ยงดูแบบให้เขาไม่ทำอะไรเลยให้เขาทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างใหเ้เขาก็จะไม่รู้จักทำอะไรเอง เขาก็จะต้องมาขอให้เราทํานั่นทนํานี่ให้อยู่เรื่อยๆขอให้เราขอเงินจากเราอยู่เรื่อยๆการเลี้ยงลูกเราควรจะเลี้ยงให้เขารู้จั ก, จกช่วยตัวเองพึ่งตนเองได้สอนให้เขาหัดทําอะไรต่างๆงานงานในบ้านอย่าไปถือว่าเป็นสิ่งต่ําต้อยอย่าไปคิดว่าเป็นงานของคนรับใช้งานทุกชนิดนี้มีคนมีประโยชน์กับเรา เพราะถ้าเราทำแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีทำแล้วเราก็จะมีความสามารถพิเศษแม้แต่การล้างซ่วมการกวาดบ้านถูบ้านการล้างชามการซักเสื้อผ้าการอะไรทำต่างๆการกระทำเหล่านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้กระทำเพราะจะทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นแล้วถ้าเกิด ไม่มีอาชีพไม่มีงานทำก็ยังสามารถใช้ความสามารถนี้ไปทำงานได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะช่วยเหลือกันช่วยเหลือให้พึ่งตนเองได้อย่าช่วยเหลือแบบให้เขาต้องมาพึ่งเราตลอดเวลา<ม>ยองเว้นในกรณีฉุกเฉินเช่นเวลาเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วม เราก็ต้องหาข้าวหาอาหารหาเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไปบริจาคไปช่วยเหลือกันแต่นั่นเป็นการทำเฉพาะกิจเท่านั้นพอเหตุการณ์ที่เสียหายผ่านไปแล้วก็มาหาวิธีช่วยให้เขาได้ก่อร่างสร้างตัวของเขาต่อไปไม่ใช่จะเอาอาหารเอาเครื่องใช้ไม้สอยมาให้ตลอดเวลาก็ต้องหาบ้าน ให้เขาอยู่ให้เขาหางานให้เขาทำเพื่อเขาจะได้พึ่งตนเองได้ต่อไปนี่คือความกรุณาความสงสารถ้าผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเราพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ควรจะช่วยเหลือเพราะถือว่าเป็นการทำบุญเป็นการสร้างมิตรภาพ เป็นสร้างความเมตตาไปด้วยแล้วเราจะมีความสุขดีกว่าเอาเงินทองไปเที่ยวไปกินไปเล่นกันกินเที่ยวเล่นเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หายไปไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือเขาแล้วทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเวลาคิดถึงเวลาคิดถึงการช่วยเหลือ ที่เราให้กับเขาแม้จะผ่านไปแล้วคิดทีไรเราก็จะมีความสุขใจทุกทีไม่เหมือนกับการไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วพอไปคิดถึงการไปเที่ยวอีกก็จะทําให้เราอยากเราหิวอยากจะไปเที่ยวอีกแทนที่จะมีความสุขใจอิ่มใจกลับมีความหิวความอยากขึ้นมาดังนั้นขอให้เราใช้เงินไปในทางที่ทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจ ดีกว่าการใช้เงินไปแล้วทําให้เกิดความหิวความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนี่คือคุณธรรมข้อที่สองคือความการุณาคุณธรรมข้อที่สก็คือมุติตาก็คือให้เรามีความยินดีกับความสุขกับความเจริญของผู้อื่นเวลา เพื่อนเราเขาได้ดิบได้ดีถึงแม้ว่าเราไม่ได้ดิบได้ดีไปกับเขาเราก็อย่าไปอิจฉาริษยาเพราะถ้าเราอิจฉาริษยาเราจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่ถ้าเรามีอุบมนิตรามีความชื่นชมยินดีดีใจไปกับความสุขความเจริญของเขาเราก็จะมีความสุข แล้เราก็จะคิดดีพูดดีทำดีอันนี้ขอให้เราคิดว่าการสุขความสุขความเจริญของคนเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดจากการกระทําต่างๆของเขาเขาได้ดิบได้ดีก็เพราะว่าเขาได้ทำอะไรมาจึงทำให้เขาได้ดิบได้ดีเรายังไม่ได้ดิบได้ดีก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำ หรือทำไม่พอหรือทำแล้วแต่ยังไม่มีเวลาให้มันออกดอกออกผลเราก็ต้องใจเย็นๆรอไปก่อนใครได้ดิบได้ดีก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ของการกระทาของเขาในอดีตทำให้เขาได้รับความสุขความเจริญถ้าเรายังไม่ได้รับความสุขความเจริญเหมือนกับเขาก็ขอให้เราทำความดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับเราถ้าคิดแบบนี้เราก็จะไม่รู้สึกอิจฉาริษยาหรือรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพราะเราต้องยอมยอมรับกฎแห่งกรรมว่าใครทากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้คือมุติตาขอให้เรา ชื่นชมยินดีมีความสุขกับความสุขความเจริญความก้าวหน้าของผู้อื่นอย่าอิจฉาริอเสยอย่าน้อยเนื้อต่าใจเพราะจะทำให้เราไม่สบายใจแล้วจะทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีแล้วก็จะทำให้เกิดทุกเกิดปัญหาต่างๆตามมาต่อไปคุณธรรมข้อสุดท้ายคือเบคขา อเบคาคก็คือการฝึกใจให้ปล่อยวางให้สักแต่ว่ารู้ให้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆว่าจะดีหรือจะชั่วบางทีมันก็ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราเราเห็นคนที่เราลักต้องรับทุก์เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเราจะไปทุก ไปอยากให้เขาหายมันก็ไม่หายเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเราก็ต้องหัดทำใจให้เป็นอุเบกขาคือยอมรับสภาพของเขาหรือยอมรับสภาพของเราว่ามันเป็นวิบากของเราเราเคยทำบุญทำบาปมาพอถึงเวลาก็เลยต้องมารับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปที่ไม่มีใครที่จะมา ยับยั้งหักข้ามได้หรือเวลาที่เราไปพบกับเหตุการณ์ต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่ทำให้เราไม่สบายใจก็ขอให้เรามีอุบเบกขาคือทำใจเฉยๆอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงวิธีที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็ขอให้เราคิดแบบที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดว่า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 อยู่ไปแบบมีเวรกันมันอยู่ไม่มีความสุขสู้ยอมใช้เวรใช้กรรมกันให้มันหมดไปดีกว่าแล้วต่อไปจะได้ไม่มีเวรมีกรรมกันอีกนี่คือวิธีคิดที่จะทำให้เราปล่อยวางทำใจให้เฉยเฉยได้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อสู้ไม่ทำร้ายผู้อื่นเพื่อปกป้อง ภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะถ้าเราไปทำร้ายผู้อื่นมันก็จะไปสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปไม่มีวันจบสิน้นดังนั้นขอให้เราหัดฝึกทำใจให้เป็นอุเบกขาวิธีที่จะทำใจให้เป็นอุเบกขาได้อย่างแท้จริงก็คือการนั่งสมาธิจเจริญสติพุโทโธพุโทโธควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ต่างๆ แล้วใจเราจะเฉยเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ย ว, วาอารมณ์ไม่ดีหายไปใจเราก็เย็นสงบสบาย mm. ก็จะไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ดี mm. นี่คือคุณธรรมสีประการที่จะทำให้เราเป็นคนดี mm. เพราะว่าคนดีก็คือคนที่คิดดีพูดดีทำดีนั่นเอง คนที่จะคิดดีพูดดีทำดีได้ก็จะต้องมีความเมตตามีการุณามีมุติตาและมีบุอุเบกขานี่เองจึงขอฝากเรื่องคุณธรรมความดีทั้งสีประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพัจนาเอาไปปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขและความเจริญให้กับตัวเราและกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน